ดูก่อนอโนอนอุบาศกทั้งหลายหมู่บ้านนาทิกะ96คนทำกาละแล้วเพราะสิ้นสังโยตสามอย่างไปขณะเดียวกัน ร, ราคะโทสะโมหะของท่านก็เบาบางจากเป็นสกทาคามีจากมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจากทำที่สุดแห่งทุกพระสกาธาคามีมีตั้ง96อันนะผมแบ่งมานี้สักองค์ไม่ได้เลยแบ่งมาองหนึ่งอ่ะนะ ดูก่อนอนุนอุบาศกทั้งหลายหมู่บ้านนาที่กะประมาณห้าร้อยสิบคนทำกาละแล้วเพราะสังโยศสามสิ้นไปเป็นโสดาบันผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนเป็นผู้จะตรัสรู้ในภายภาคหน้าข้อข้อนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าอัศจรรย์นะทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ปกติอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่ถ้าพูดแบบภาษาเราๆนะพูดภาษาเราไม่ใช่ภาษาพระพุทธเจ้า คือเรื่องที่มันน่ารําคาญเนี่ยมีอยู่ว่าเมื่อมีใครตายเมื่อมีใครตายบุคคล น, นั้นทํากาละแล้วเนี่ยพวกเธอก็จะมาหาตถาคตมาถามเนื้อความนี้ว่าดูก่อนอานอนท์ข้อนี้เป็นการเบียดเบียนแกตถาคตโดยแท้เนี่ยนะใครตายก็มาถามคนนั้นถ้าเกิดที่ไหนไอคนนั้นถามตายอีแล้วคนนั้นเขาไปไหนก็เหมือนมาถามมาเหมือนกันนะบางทีก็ามาถามอ่ะคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนอะไรผมจะไปรู้เขาเลยไง ก็ไปถามเขาสิว่าเขาไปไหนยังไง น, น, นะคล้ายแบบนั้นนะะแต่นี้พระองค์ไม่ราคาญหรอกพระองค์ไม่มีโทสะอะไรแต่ว่าถือว่าเบียดเบียนพระองค์เหมือนกันนะพระองค์ไม่ราคาญตัวจริงแต่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนพระพุทธเจ้าใครตายก็ต้องมาคอยถามมาตายทั้งอินเดียเนี่ยมาถามอ่ะโวมานั่งแจกบัญชีรายชื่อใครจะไปไหนใช่ไหมเหมือนก็อะไรนะสมมุติว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมอะไรนะประเภทกรมที่ออกนอกประเทศอ่ะกระทรวงต่างประเทศยังไงนะ แม่ใครมาถามคนนั้นเขาออกจากประเภทนี้เข้าไปไหนเขาเนี่ยไปไหนบอกคุณไปอ่านตามนั้นเอาแล้วกันนะะแล้วก็แต่นี้ของพระพุทธเจ้ามีหลักการให้เพราะฉะนั้นดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเราแตถาคตจักแสดงธรรมปริยายที่ชื่อว่าเว่นธรรมคือเราว่าตั้งกระจกไว้ให้ตรวจ ด, ดูใครอยากจะดูก็มาดูเอาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวตั้งกระจกเอาไว้ให้แว่นธรรมนี่แปลว่ากระจกสองธรรมนะ น, นะคือเรว่ากระจกเอาไว้สอดสองซึ่งอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะปริยาย ชื่อว่าเว้นธรรมแล้วหมายว่าถ้ามีคุณสมบัติตามที่วางเอาไว้นี้นะปราถนาต้องการก็พยากรณ์ด้วยพยากรณ์ตนเองด้วยตนเองว่าฉันเนี่ยนะหมดสิ้นนรกแล้วไม่ไปสู่นรกแล้วมีกําเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วแปลว่าไม่ต้องเกิดเป็นเดรัจฉานอีกต่อไปเพราะถ้าได้ยินเสียงหมาเห่าฮ้องขึ้นมาบอกฉันไม่เกิดเป็นหมาอีกแล้วเนี่ยนะตอบได้เลยใช่ไหม แต่ยินหมูร้องวุทุก็โอ้ยเกิดพ้นจากําเนิดหมูแล้วเนี่ยนะเห็นปลวกบอกฉันเลิกเกิดเป็นปลวกแล้วเนี่ยนะแต่ก็ต้องมีคุณสมบัตินะไม่ใช่ว่าเชื่อในทางความคิดใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะบอกฉันเลิกเกิดเป็นปลวกแล้วแต่นิสัยคิดแบบปลวกมันยังไงก็ไม่ได้พ้นจากปลวกคนคิดแบบปลวกคิดยังไงเอาปลวกคิดยังไงก็ลองคิดดูแล้วกันว่าปลวกคิดยังไงแล้วเราคิดแบบปลวกหรือไม่เนะ่ คิดไต่ไปตามลวดลายต่างๆอยู่ตลอดเวลาเนีน่ะเอาปลวมคิดอย่างนั้นนะคิดไต่ชรชัยไเรื่อยน้องๆแมงกระชอน น, ะนะั่นแหะหรือว่ามีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้วแปล ว, ว่าเลิกเกิดเป็นเปรตสถักทีอย่างนั้นมีอบายทุกติวินิบาสนรกสิ้นแล้วฉันเนี่ยเป็นพระโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสอริยมรรคโสดาบันเนี่ยแปลว่าเข้าถึงกระแสอริยมรรคแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ําเป็นธรรมนาไม่ตกอันนี้อีกแล้ว เป็นผู้แน่นอนแล้วเพราะประชุมอารยมักได้แล้วและจะตรัสรู้โสกะธาคามีมักอน า, าคามีมักอรหัตตมักต่อไปในภายภาคหน้าอันเนี้จะให้ให้วิธีตรวจสอบนะเอาไปตรวจสอบกันเองและกันวันนี้มาถามบ่อยเบียดเบียนดูก่อนอนนนก็ธรรมบรรยายชื่อว่าเว่นธรรมซึ่งอรารยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าเว่นธรรมแล้ว เมื่อปราถนาพึงพยากรตนเองด้วยตนเองว่าฉันเนี่ยมีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตยรชาสิ้นแล้วมีวิสัยแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วเป็นผู้มีอบายทุกขติวินิบาทสิ้นแล้วฉันเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วและจะตรัสรูต้ต่อไปในภายภาคหน้านั้นเป็นไ น, นก็คืออะไรธรรมะสี่ประการนั่นแหละ ดูก่อนอนนุนอริยาสาวกในพระาศาสนานี้ข้อหนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต์ในข้อแรกเลยนะถามตัวเอ ง, อเเรรงอใใว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงหรือมั่นใจใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์มั่นใจมากแล้ ว, ลวอรหันต์คืออะไรนั่นแหละ ท, ที่ว่า เพื่อเอาไว้สัมภาษณ์ความมั่นใจแม้เลื่อมใสจริงๆมั่นคงมากเลื่อมใสามากนะไม่วันไหวเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยนะสองแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเรามาเช็คดูนะแต่ละบทแต่ละบทเนี่วันไหวไหมเขาบอกว่าเอ้ไม่รู้เลยถ้าไม่รู้หนักกว่าวันไหวอีกนีอ่อะไรนะ อะนะถ้าวันไววมันก็ยังพอมีข้อมูลบ้างไงทาไม่รู้เลยมันหนักกว่าวันไวอมิดเลยนะมืดมิดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลื่อมสายอย่างรู้พระพุทธคุณด้วยและเลื่อมสายอย่างไม่วันไววด้วยนะตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิศาสถาเทวมนุสานังพุทโธภะวะนสอบถามดูนะทั้ง9้าบทสิบบทเนี่ย นะเก้าบทก็ได้สิบบทก็ได้เนี่ยนะถ้าในหนังสือเนี่ยบทสรรเสริมพระตนะตรายอยู่ท้ายๆเล่มเนี่ยไปอ่านดูว่าแหมตังหิตตังหิตอยู่ในใจหรือเปล่าเนี่ยถ้ตังิตตังหิตห ใ, นในใจหรืออ่านแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเข้าใจยังไม่เข้าใจจะเลื่อมสายได้อย่างไรใช่ไหมก็ต้องเช็คดูนะหนึ่งข้อที่หนึ่งที่บอกว่าปิดชนิดปิดนรกแน่นอนนะแต่ถ้าบอกว่าเลื่อมสายนะแต่ก็ปิดได้ยังไม่แน่นอนถ้าเลื่อมสายธรรมดาทั่วๆไปยังไม่พอที่จะปิด อย่างแน่นอนและเที่ยงแท้ถ้าปิดแน่นอนอย่างเที่ยงแท้อรหังปั๊ปปิ้งเลยนะเลื่อมสายมากเนะี่ยนเหมือนไม้หลักปักอะไรนะเหมือนเสาหินที่ฝังลงในเนี่ยนะเสาหินเนี่ยยาวแปดเมตรอย่างเงี้ยฝังลงในเออฝังลงดินเนี่ยสี่เมตรพผล่ขึ้นสี่เมตรดินที่มั่นคงอัดแน่นเลยนะนะเขบอกว่าไม่สะเทือนด้วยลมทั้งสี่ทิศฉันใดผู้ที่เห็นอริยศสตร์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเขามีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า มีศัทธามไม่หวั่นไหวหรือประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ดีแล้วนะสาร ท, ทีิโกผู้บรรลุเพ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกอริยมรคให้ผลได้ไม่จํากัดการเอหิปัสสิโกเรียกให้เขามาดูได้โอปนัญิโกควร น, น้อมมรคผลให้มีในจิตควร น, น้อมจิตเข้าไปใน พระนิพานอันวินยูชนทั้งหลายเพีงรู้ได้เฉพาะตนอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและไ n ยะบุคคลรู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงค์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแล้วคือคู่ คือคู่แห่งบุตรสีค่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุตรนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่ของของที่นํามาคํานับเนี่ย น, นะหมายความว่าถ้าจะเอามาของมาคํานับใครมาฝากใครมาบูชาใครสักคนบอกว่าพระสงสาวกสมควรควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของทําบุญเป็นผู้ควรแก่การทําอัญเชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ย น, นะ อันนี้เราก็มีศรัทธาที่ไม่หวนไไวในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะข้อสบอกว่าผู้ประกอบด้วยอริยกัรตศีนทั้งหลายมีอริยาการตศี น, นอริยแะแปลว่าประเสริฐการต่าแปลว่าชอบหรือแปล ว, ว่ารักเป็นศีลที่พระอริยเจ้ารักใครชอบใจมากเนี่ยนะพระอริยาถามว่าท่านรักอะไรที่สุดบอกท่านรักศีลท่านรักศีลของท่านเนี่ยมากรักอะไรรักษาท่านรักษาเจตนาของท่านมาก ท่านรักเจตนาเว้นจากปานาติบาต ท, ท่านรักเจตนาที่เว้นจากอธินนาทานกาเมมุสาสุราเป็นต้นเนี่ยมากท่านรักษาตัวศีลกุกุศลธรรมเนี่ยมากพันศีลเหล่านั้นเนี่ยไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นภัยอันวินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฐิไม่แปดเปื้อนดําเนินไปเพื่อให้ได้สมาธิไงนะ ทั้งหมดสประการนั้นหนึ่งศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพูดสองพระธรรมสมพระสงฆ์สี่อริยกันตสีนดูก่อนอนุนธรรมบรรยายเชืว่อเว้นธรรมนี่แลที่หรือซึ่งพระอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายเชืว่อเว้นธรรมแล้วเมื่อปรารถนาพึงพยากรตนด้วยตนเองว่าฉันเนี่ยมีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีปิติวิสัยสิ้นแล้ว เป็นผู้มีอาบายทุกขติวินิบาตนรกสิ้นแล้วฉันเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วจะตรัสรู้ในภายหน้าดังนี้นะก็นี่ก็เรียกว่าให้พระพิสูจทั้งหลายไปสํารวจตรวจสอบกันดูเองว่าเป็นธาตุญาตหรือยังหรือว่ายังไม่เป็นหรือว่ามั่นใจหรือยังหรือว่าไม่มั่นใจก็ตรวจสอบได้นะจริงๆแล้วความเจริญความเสื่อม ความปฏิบัติใกล้พ้นทุกข์หรือแนวโน้มวิ่งไปหาทุกข์ก็เช็คได้จากอะไรนะธรรมะปริยาที่เรียกว่าธรรมะธาสาหรือเว้นสองธรรมเว้นธรรมหรือกระจกสองดูตัวเองสองดูซิว่ามีศรัทธาจริงไหมสองดูซิว่ามั่นใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขนาดไหนสองดูตัวเอ ง, องวอง่ามั่นใจในศีลขนาดไหนรักศีลขนาดไหนถ้ามั่นใจได้อย่างนี้แล้วก็เห็นอริยสัจนี่ก็แสดงว่าอัละปิดนรกได้แล้วเนี่ยนะ มาดูนะว่าโหถ้าใครปิดได้เขขอนอบน้อมต่อผู้นั้นเนี่ยนะเพราะพ่อเขาปิดนรกได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่คนอื่นก็ไม่เลวนะอถ้าอย่างนี้อีกนานะเขามีบางคนนะว่าเอ้พระพุทธเจ้ า, าศาสดาที่ดีนะเก่งาศาสดราอื่นเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้าอย่างนี้ก็ ก, ก็ก็ตามใจกันละกันอนะ่างนั้นเถอะแต่รู้แล้วว่าอีกนานก็จะเป็นอนะคุณสมบัติขนาดนี้อีกนาน ได้ยินว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่หน้าเรือนรับรองก่อด้วยอิฐในหมู่บ้านนาธิกะนั้นพระองค์ก็ทรงทรมีกระานี่แลเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ศีลคือจตุปาริสุทัยเีนเนี่มีอยู่ด้วยประการชนี ta. สมาธิอุปจารสมาธิอั ป, ปนาสมาธิเนี่มีอยู่ด้วยประการชนี้ปัญญาเนี่ยนะกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาเป็นต้นเนี่มีอยู่ด้วยประการชนี้มัคคสมาธิผลสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมัคคปัญญาผลปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มาก มัคจิตพลจิตอันปัญญาอบรมแล้วก็ย่อมหลุดพ้นโด้ด้วยดีโดยแท้จากอาสวะทั้งหลายกล่าวคือกามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะดังนี้แลนะพูดถึงคุณสมบัติของพระริยเจ้าว่าคำว่าพระอนาคามีเนี่ยนะละโอรัมภาคยะสังโยตสังโยตที่ ทำให้สู่เบื้องล่างหรือสังโยชน์ที่นําให้ปฏิสนธิในการมาพบชื่อว่าโอรัมภ ะ, ะโอรัมภาคยาสังโยชน์โอรัมภาคยาสังโยชน์เนี่ยที่มักทั้งมักทั้งสามคือสโสดาปฏิมักสะกะทาคามีมักอนาคามิมักที่ต้องละไปสังโยชน์สองนี้คือการมราคะพยาบาทที่ข่มไม่ได้ด้วยสมาบัติหรือตัดไม่ได้ด้วยมักไม่ให้ไปสู่รูปประพบและรูปประพบเบื้องสูงสังโยชน์สาม คือสกายะทิฐิวิจิกิจฉาศีรพัตะปรามานำสัตว์แม้ที่บังเกิดในภพนั้นให้มาบังเกิดในภพนี้อีกเพราะฉะนั้นสังโยชน์ทั้งสามนั้นอ่ะชื่อว่าโอรัมภากิยสังโยชน์สกายะทิฐิวิจิกิจฉาศีรพัตะปรามาผูกไว้ในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉาณ <c oughs> การมราคะกับพยาบาทเนี่ยทำให้ผูกไว้ในมนุษย์กับเทวดาถ้าพระอนาคามีเนี่ย ตัดสังโยชน์ทั้งห้าเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องมาปฏิสนธิในการมาภูมิส1บอ็ดอย่างไม่กลับมาปฏิสนธิอีกเป็นสภาวะแต่ถ้าสำหรับพระสกะทาคามีละ่ะท่านก็ทำที่ราคะโทสะโมหะให้เบาบางท่านกิเลสท่านเบาบางมากนะถ้าไข้ก็ไข้นิ ด, นดๆไข้เล็กน้อยนะไม่ไม่ป่วยรุนแรงขนาดเข้าห้องไอซเป็นต้นขนาดนัด้นหยดน้าเกลือสายใหโยงยางเต้ไมหมดไม่ถึงขนาดนั้น หมายความว่าถ้าท่างเกิดก็นิดๆหน่อยๆนะเช่นเกิดเป็นบางคราวมีปริยุทธาหรือกลุ่มรุมก็น้อยนานๆจะเกิดทีหนึ่งเกิดแล้วก็ไม่รุนแรงเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละลักษณะของพระสกทาคามีเพราะฉะนั้นกิเลสคือการมราคากับพยาบาทหรือราคาโทสะโมหะไม่เกิดเนืองๆแก่พระสกทาคามีไม่เหมือนปุตตชนปุตุชนเนี่ยยังไงเกิดบ่อยมากเนี่ยนะปุตตชนเนี่ยไม่ใช่เกิดครั้งคราวอ่ะมันเกิดเป็นปกติอ่ะ มันเกิดเป็นปกติไหมว่าเอางี้นะถ้าโกรธก็โกรธเป็นปกติเครียดได้ทั้งวันแล้วกันนะไม่สบายใจได้ทั้งวันถ้าจะดีใจอะไรนะร้องเพลงก็ร้องได้ทั้งวันวนี่ะมันเกิดบ่อยๆแบบนี้แหละถ้าใช้ก็ใช้ซึมได้ทั้งวันอย่างนี้นะมันก็ราคาก็บไม่บางอะ่ะปุถุชนเนี่ยไม่บางมีแต่อย่างหนาหมดหนาท่าไร่บอกหนาเท่ากับเมฆเป็นร้อยๆชั้นเนี่ยหนาขนาดนั้นเนี่ยนะถ้าปะสะกะทาคาเมีก็เมฆอ่อนๆที่มันอะไรนะมันไม่ค่อยปกปิดอะไรมากมาย ปุตุชนเนี่ยไม่เกิดบางๆเหมือนภาชนะสายปลาเขาบอกว่าจริงๆแล้วพระสกทาคามีเนี่ยนะกิเลสท่านของท่านจริงๆก็ยังก็ถือว่าเบาบางมากพระโสดาบันเนี่ยนะเว้นพบที่เจ็ดเสียท่านก็ปฏิสนธิปฏิสนธิในพบที่แปดไม่มีแปลว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็นอนอยู่ในครันอีกไม่เกินเจ็ดครั้งนะก็นอนอยู่ในครันอีกประมาณเจ็ดครั้ง ผ้าพระสกท า, าคามีก็นอนในครันไม่เกินหนึ่งครั้งเพราะกิเลสเบาบางมากผ้านาคามีเนี่ยนะไม่ต้องมาสู่กามมาพบโดยปฏิสนธิเลยไม่ต้องปฏิสนธิในการมาพบแต่ผ้าผ้าอรหันนี้ก็บางทุกแห่งไม่มีกิเลสเหล่าใดเลยก็ทําที่สุดแห่งทุกข์บทว่าอิมังโลกังเนี่ยนะมันว่าถ้าพระอริยะบุคคลบรรลุสกท า, าคามีในมนุษยโลก แล้วบังเกิดในเทวโลกย่อมทําให้แจ้งซึ่งพระอรหันต์ข้อดีข้อนี้ดีอย่างนี้ข้อนี้ถ้าได้อย่างนี้ดีแต่เมื่อสามารถกลับมาสู่โลกแล้วก็ย่อมทําให้แจ้งพระอรหันตอันนี้แหละเรียกว่าพระสกทาคามีที่มาสู่โลกนี้ครั้งเดียวแต่บางองค์เนี่ยเป็นพระสกทาคามีแต่ก็ต่อเป็นอนาคามีและก็เป็นธาตุหันได้สําเร็จก็มีบางองค์ก็เป็นพระสกทาคามีในเทวโลกตายจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นพธาตุหันอย่างนี้ก็มี หรือว่ า, าไปสู่เทวโลกกลับจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วบรรลุอย่างนี้ก็มีนะแต่ถ้าสําหรับพระโสดาบานันอวินิปาตธรรมโมไม่ตกไปสิ่งที่มันตกต่ําอีกต่อไปเนี่ยนะไม่ตกต่ําเรียกว่าชีวิตไม่ตกต่ําอีกต่อไปไม่ตกต่ําทั้งความคิดทั้งพฤติกรรมและคําพูดไม่ตกต่ําในภพที่เกิดเนี่ยนะเรียกว่าไม่ตกต่าอีกแล้ว นิยโตแน่นอนเพราะอะไรเพราะเข้าถึงสัมมัตตานิยามคืออริยมัตอันประกอบไปด้วยองค์แสัมโพที่ปายโนก็คือมัคสามเบื้องบนหมายความว่าพระโสดาบันเนี่ยจะต้องบรรลุสกาทาคามีมัคอนาคามีมัคอรหัตมัคนี่นะเบื้องหน้าต่อไปเป็นไปดําเนินไปเพื่อบรรลุมัคชั้นสูง น, นะก็เลยเรียกว่าสัมโพที่ปรายโนมีสัมโพที่คืออริยมัคเป็นเบื้องหน้า ด้วยบทว่าวิเหสาวเวสาดูก่ณนโนทถ้าใครเนี่ยนะใครตายก็มาคอยจะถามเรานั่นเป็นความลําบากทางร่างกายของตถาคตเพราะไรเพราะต้องคอยมาตรวจ ด, ดูว่ายานคติในคติห้าเขาไปเกิดที่ไหนอุปาทิกติกเขาเกิดในอุบัติอุบัติคือเกิดในอะไรเกิดในภพไหนหรือว่าสัมปรายภพการมาภบรูปภพอรูปภพเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขาไปเกิดในคันเกิดในใครเกิดในเท่ากลายเนี่ยถ้ามคอยจะถาม เราก็ต้องเมื่อเอร่างกายต้องมาคอยตรวจดูนั่นแหละนะแต่ก็พระองไม่เหนื่อยใจเพราะอะไรเพราะพาะงไม่มีโทสะว่างนะั้นไม่เคลียทางความคิดเนี่ยนะเคลียร์แต่ร่างกายแต่ใจไม่เคลียร์ใจไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะอกิเลสที่เป็นเรียให้ไม่สบายทางใจไม่มีแต่ร่างกายนี่เหน็ดเหนื่อยไหมบอกว่าเหน็ดเหนื่อยธรรมธาสะก็คือแว่นสองธรรมนะน่ะ มันถ้าหากว่าใครก็ตามถ้าเอาแว่นสองธรรมสี่ประการคือเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์มีอรารยะกันตศดสินมีสี่ประการพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าปิดนรกได้แล้วนะปิดนรก อ, า อ, า อ, าอาบายทุคติวินิบาดนรกได้แล้วเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเพราะถึงพระพุทธคุณตามความเป็นจริง นะนะเพราะถึงพุทธคุณตามความเป็นจริงรอบรู้ในพระพุทธคุณตามเป็นจริงนะนะเช่นอิติปิโสพัคขวาเป็นต้นและมีอริยะกันตศีลอริยะกันตศีลเป็นศีลที่พระเรียกเจ้าท่านรักมากไม่ใช่รักแต่ชาตินี้นะชาติต่อไปท่านก็ยังรักศีลของท่านอยู่ตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ยกตัวอย่างศีลขึ้นมาเป็นตัวอย่างอั้นถ้าใครอยากจะพยากรณ์ตัวเองก็พยากรณ์ในฐานะนี้ว่าเขาไม่ผิดศีขาบทนะ ถ้าใครอยากพยากรว่าตัวเองเป็นคนดีจริงหรือไม่ก็ตรวจสอบกับคำสอนถ้าเป็นไปตามคำสอนนั้นก็เจริญธรรมะกามโมผวังโหติผู้ที่รักธรรมประพฤติตามธรรมก็จะเจริญงอกงามในธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าไม่รักธรรมไม่ชอบธรรมก็ไม่เจริญในกุศลธรรมเมื่อไม่เจริญในกุศลธรรมแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้อ่